เทวดาส่งผู้ช่วยมาร่วมงานโดยคุณหลวงหลังจากที่หนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งได้ออกไปสู่สายตาของท่านผู้อ่านแล้วผมก็รีบเร่งงานหนังสือเล่มสองต่อทันทีระหว่างที่ยังมึนงงอยู่กับการเขียนต้นฉบับและตรวจบทความจำนวนมากที่ยังกระจายกระจายอยู่ ก็มีงานสำคัญเข้ามาขัดตาทับงานหนังสือเล่มนี้คืองานบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระบูรพาจารย์และสืบทอดพระพุทธศาสนาผมต้องปล่อยวางงานหนังสือนี้ไว้ชั่วคราวต้องเดินทางขึ้นล่องกรุงเทพอุดรสัปดาหละสองวันเพื่อประสานงานกับท่านพระอาจารย์ทั้งหลายที่เมตตาสนับสนุนการจัดงานโครงการนี้งานนี้ก่อให้เกิดความคิดเห็นหลากหลาย ทั้งในแง่บวกและในแง่ลบผมต้องกราบขอขามาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างสูงที่เป็นเหตุทำให้ทาตุขันของท่านต้องถูกกระทบกระเทือนและเกิดความไม่สบายใจความมุ่งหมายสูงสุดในการทำงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายที่มีศรัทธาได้ร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันแต่เมื่อโดยเนื้องานแล้วเป็นงานใหญ่และเป็นครั้งแรกที่ดําริจัดขึ้นจึงมีความขลุกคลักอยู่บ้าง แต่งานก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีผมขออนุโมทนาในบุญครั้งนี้กับบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายและท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดจนผู้เข้าร่วมในการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นมหากุศลแด่พ่อแม่ครูอาจารย์พระบูรพาาจารย์เมื่องานดังกล่าวเสร็จลุล่วงไปแล้วผมจึงหันมาจับงานหนังสือหลวงตาเล่มสองต่อทันทีพอเริ่มต้นจะเขียนเรื่องตามที่คิดไว้ก่อนแล้ว ก็กลายเป็นมือไม้แข็งไปหมดเขียนไม่ออกสมองมึนตึบต้องหันเหไปอ่านบทความที่เพื่อนร่วมงานส่งมาให้แล้วพยายามทำอยู่เป็นอาทิตย์จนควบคุมใจได้ไม่ฟุง้งซ่านในช่วงนั้นมีผู้ที่ได้อ่านหนังสือหลวงตาเล่มหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมแสดงความจำนงอยากไปถือศีลที่วัดป่าบ้านตาดจึงได้แนะนาให้ไปหาคุณอ่อนเพื่อให้เธอเป็นธุระให้เมื่อเสร็จจากการเข้าวัดปฏิบัติแล้ว จึงได้สอบถามพูดคุยได้ความว่าเธอเป็นนักปฏิบัติชื่อปริยานุษย์หนูเกตกำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาปรชาัชญาผมเห็นหน่วยการท่าทางเธอคล่องแคล่วสู้งานอีกทั้งมีความถนัดทางด้านหนังสือด้วยจึงได้เอ่ยปากขอให้มาช่วยงานผมในงานด้านหนังสือได้ร่วมงานกันตั้งแต่นั้นมาผมส่งเรื่องต่างๆให้เธอช่วยอ่านและพิจารณา งานทั้งหลายที่ติดขัดอยู่จนผมงุดหงิดมากๆในช่วงนั้นจึงคลี่คลายไปได้หมดประกอบกับผมได้ผู้ช่วยมาอีกสองท่านคือคุณอ้อยพุทธณีบุรณมณฑ น, นเป็นภรรยาของคุณป๋องคนคุ้นเคยกันกับผมและอีกท่านหนึ่งคือคุณนกทัทแพทย์หญิงเหมวันดารีอนันท์ทั้งสามท่านต่างได้เข้ามาช่วยอ่านและแก้ไขางานให้ ผมพูดกับทุกคนว่าเทวดาท่านคงจะรําคาญผมเต็มทีจึงส่งทั้งสท่านที่กล่าวให้มาช่วยงานทําให้ส่งงานไปให้ดรดาราวันเด่นอุ ด, ดมและคุณสุมิตราสอนสองครามเพื่อเรียบเรียงตรวจสอบลำดับสุดท้ายได้ดีขึ้นกว่าเล่มหนึ่งเพราะทั้งสท่านอ่านกันคนละหลายๆรอบแล้วดรดาราวันและคุณสุมิตราคงหายเวียนหัวไปได้เปลาะหนึ่ง คุณสุมิตราเป็นคนเงียบๆไม่ปริปากบนอะไรให้ผมได้ยินเลยมีแต่น้องตุ๊กของผมดรดาราวันคนเดียวที่ถึงขนาดเขียนคำนิยมลงในเล่มที่หนึ่งได้อย่างแหลมคมจนเจ็บนิดๆแต่คราวนี้ยคงรอดตัวไปได้แล้วเพราะเทวดาส่งผู้ช่วยมาช่วยผมแล้วผมได้รับต้นฉบับสำหรับหนังสือเล่มนี้มากอย่างจุใจถึงขนาดต้องแบ่งเป็นสองตอนเพื่อเก็บบางส่วนเอาไว้เป็นลงในเล่มสาม แต่และเรื่องที่นำมาลงในเล่มนี้ผ่านการคัดเลือกกันมาแล้วหลายรอบอันที่จริงผมอยากจะลงหมดทุกเรื่องแต่ต้องหักห้ามใจไว้มิฉะนั้นเล่มนี้จะหนากว่าเล่มหนึ่งมากจนถืออ่านไม่สะดวกเพราะจะหนาเกือบหนึ่งพันหน้าผมจึงต้องจัดให้กระจายออกไปเป็นเล่มสาโปรดคอยติดตามนะครับจะเป็นเล่มสุดท้ายของหนังสือชุดนี้ผมขอขอบพระคุณทั้ง5ท่านที่ได้ร่วมช่วยกันผลักดัน ทำให้หนังสือชุดนี้สำเร็จออกมาได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์ผมขอกล่าวถึงทั้งห้าท่านให้ท่านได้พอรู้จักดังนี้ดรดาราวันเด่นอุดมเป็นผู้ที่มีความสามารถและแม่นยำในข้อวัดปฏิบัติทางพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางเป็นผู้บรรยายรับเชิญไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆตาตรางการบรรยายของเธอไม่ค่อยจะมีว่างงานหลักของดออรดาราวัน คือการอบรมพัฒนาจิตนักเรียนในโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตอีสานใต้จัดขึ้นที่วัดวะภูแก้วของหลวงพ่อพุท ธ, ธนิโยอำเภอสูงเนินนครราชสีมาเป็นการอบรมการปฏิบัติสมาธิภาวนาให้นักเรียนที่มาเข้าค่ายพุทธศาสนาอาทิตย์ละหลายร้อยคนต้องเป็นภาระหาข้าว ห, หาน้ําให้เด็กวันละสามือ้อจากค่าใช้จ่ายน้อยนิดที่เก็บจากเด็กคนละสิบบาทต่อวันและฟรีสําหรับเด็กเล็ก ท้าให้ขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายและต้องการผู้บริจาคร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กแต่ก็หาเวลาไปบอกบุญไม่ได้จึงอาศัยสเสบียงจากวัดป่าบ้านตาดขององค์หลวงตามาพอประทังไปจนเสร็จงานท่านผู้ใดต้องการร่วมบุญสร้างเด็กกับด็อกเตอร์ตุกกรุณาติดต่อกับเธอได้ทุกเวลาที่โทรศัพท์0852009575หรือจะขอคาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิต ดรตุกเธอยินดีเสมอคุณสุมิตราสอนสงครามเป็นเพื่อนรักกับดรตุกได้หลวมตัวมาช่วยทำหนังสือตั้งแต่เล่มหนึ่งเธอเป็นลูกสะพ้ยของคุณชวนสอนสงครามเจ้าของโรงพิมพ์ชวนพิมพ์คุณชวนเป็นผู้ที่เข้าวัดป่าบ้านตาดมานานเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือของหลวงตาตั้งแต่ต้น ท่านถือเป็นธรรมเนียมที่จะต้องพาพนักงานไปร่วมทำบุญทอดกระถินทอดผ้าป่าประจำปีเป็นการปลูกฝังจิตใจของพนักงานให้รู้จักงานบุญอยู่ตลอดเวลาหลวงตาท่านให้ความเมตตากับคุณชวนและครอบครัวเสมอมาเนื่องจากคุณชวนทำคุณประโยชน์ให้กับวัดมากจนถึงคุณสุมิตราซึ่งผมเรียกเธอว่าอาจารย์เพราะความเข้มงวดในเรื่องภาษาโดยเฉพาะตัวสะกดและวรรคตอน เธอเป็นคนใจเย็นพูดช้าช้าชัดเจนคลํ่งเคร่งอยู่กับงานคอยติดตามงานอย่างต่อเนื่องไม่เคยบน่นในฐานะที่เธอเป็นผู้ร่วมเรียบเรียงและพิสูจน์อักษรเธออ่านเรื่องทั้งหมดในทุกๆเล่มด้วยความอดทนไม่ต่ำกว่าห้ารอบไม่ใช่เพียงอ่านให้พอผ่า น, านไปเธออ่านและเรียบเรียงทุกตัวอักษรไม่มีเว้นเธอทำงานด้วยหัวใจสารจิตนารมต่อจากคุณพ่อของสามีเธอ เพื่อหลวงตาที่ทั้งคุณชวนและเธอรักและเคารพเธอทูลสืบต่อกันมาสามชั่วอายุคนงานทั้งหมดที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะ น, นี้คือผลงานจากความละเอียดของเธอคุณพุทธณีบุรณะมณฑลเป็นผู้ที่เคารพรักกันมากเป็นน้องสาวที่น่ารักคอยเป็นห่วงเป็นใ ย, ยสารพัดเพราะอาชีพของเธอเป็นพยาบาล รับราชาการที่ศูนย์ฟื้นฟูของกรมแรงงานเธอชอบทำบุญเพื่อเก็บไว้เป็นทุนในภายหน้าผลักดันและเสียสละให้สามีคุณป๋องปัฒนาพงศ์อุปสมบทในช่วงวันเกิดของหลวงตาเธอเป็นคนละเอียดรับอาสาดูแล ง, งานหนังสือเล่มสองและสามแถมยังให้สามีมาร่วมช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งคอยดูแลแก้ไขตัวสกดสระวรรณยุกต์ให้อยู่ในที่ในทางเธอทางานไปได้สักพัก เธอก็เปอยว่าพี่เขียนหนังสือได้อย่างที่ ด, ด, ดรดาราวันแกนบอกเลยเพิ่งเข้าใจว่าทำไมพี่ตุกก๊กแกจึงปวดศิสะคุณปริานุตหนูเกตเป็นคนพังงาเธอหน้าตาคมคายรูปร่างผอมสูงโปร่งผิวคล้ำเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเธอได้อ่านหนังสือหลวงตา และมีความสนใจอยากจะไปกราบหลวงตาและอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดเธอจึงได้โทรศัพท์มาหาผมได้แนะนําและส่งเธอไปที่วัดป่าบ้านตาดคุณอ่อนใจดีสละแคร์ให้เธอถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่หลายวันไม่เห็นผมวุ่นวายอยู่กับหนังสือหลวงตาและกับเรื่องอื่นๆเธอแสดงความสนใจและตั้งใจช่วยงานอย่างเต็มที่ได้อดตลับขับตะนอนอ่านทบทวนและปรับปรุงเรียบเรียงเรื่อง เหตุที่งานนี้เป็นงานยากก็เพราะผมเป็นผู้สัมภาษณ์และทำต้นฉบับเองข้อมูลที่มีก็กระโดดไปมาเธออ่านจนหูตาแดงไปหมดต้องหยอดยาแก้อาการระคายเคืองตาแต่แม้เรื่องจะวกวนอย่างไรเธอก็สะสางได้จนเรียบร้อยเธอถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะส่งเรื่องของคุณปัญญาํำสุขเปียมกลับมาเป็นเรื่องสุดท้ายเพื่อให้ผมปิดเล่มที่สองแต่ในที่สุด ผมจำเป็นต้องเก็บเรื่องของคุณปัญญาไปลงเล่มสามเพราะจำนวนหน้าและเรื่องล้นมากแล้วแต่เธอยังไม่วางงานเธอรับอาสาที่จะขัดเกลาเรื่องต่างๆในเล่มสามต่อไปหมอเหมวันดํารีอนันหมอฟันผู้น่ารักของผมเธอเป็นหมอฟันที่จบปริญญาโทการใส่ฟันเธอร่างเล็กจิตใจอ่อนโยนใจเย็นตามระษาหมอฟัน พูดจาไพเราะและงดงามเธอได้อ่านหนังสือหลวงตาเล่มหนึ่งและส่งเงินมาร่วมเป็นเจ้าภาพเล่มสองในวันที่ได้มีโอกาสคุยกันเธอกำลังว่างอยู่พอดีจึงรีบเข้ามาหาทันทีตามคำเชิญของผมและช่วยตรวจบทความทั้งหมดเป็นคนสุดท้ายก่อนจะส่งดรดาราวันและอาจารย์สุมิตราของผมให้เป็นผู้ตรวจสอบเรียบเรียงเป็นลำดับสุดท้ายหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเมโยไม่ต้องรอให้ปวดฟันเสียก่อน จึงไปหาหมอนะครับควรไปหาหมอหเหมวันเพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันเสียแต่เนิ่นๆก่อนท่านจะมีสุขภาพดีตลอดไปผมคิดอยู่เสมอมาว่าเทวดาส่งทั้งห้าท่านที่กล่าวมานี้มาช่วยผมงานจึงสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีด้วยความรวดเร็วและน่าอัศจรรย์ผมขอขอบพระคุณทั้งหท่านที่ได้เมตตาสละเวลาช่วยเหลืองานหนังสือเล่มนี้ จนล้วเสร็จมาเป็นรูปเล่มอยู่ในมือของท่านขณะ น, นี้หากไม่ได้ทั้งห้าท่านช่วยงานแล้วท่านคงไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของหนังสือชุดนี้ผมขอขอบพระคุณอีกครั้งครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโช